และวกิสตัวทวัตแล้วที่เราได้ทำลายหลังจากหัวและพอเพียงแก่พระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเห็นความผิดของปวงบ่าวของผู้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 เขาจะเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างถูกเบียดยามถูกขับไล่และผู้ใดปรารถนาพรโลกแล้วขวนขวายเพื่อมันอย่างจริงจังโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาชนเหล่านั้นการขวนขวายของพวกเขา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 เพราะโลกนั้นมีฐานะยิ่งใหญ่กว่าหลายขั้นและยิ่งใหญ่กว่าในทางดีเด็กละจมลเลาารฟตัมดมมดูลเจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับอัลลอ์มิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกเยียดยามถูกทอดทิ้ง وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِيدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أ ُ ف ُّْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا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 เจ้าจงยากกล่าวแก่ทั้งสองว่าอูฟและเยาขูเข็นท่านทั้งสองแต่จงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยคำที่สุภาพและจงนอบน้อมทำตนต่อท่านทั้งสองด้วยความเมตตาและจงกล่าวว่าโอ้พระผู้บิบาลของฉันได้โปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสอง ทัท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อย่าไหวด้วยเธอบลบออบพระเจ้าของพวกเจ้าทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าหาพวกเจ้าเป็นคนดีดังนั้นพระรณ์เป็นผู้ทรงอภัยแก่บรรดาผู้กลับเนื้อกลับตัวอย่างแน่นอง َآتِذَا الْقُرْبَا حَقَّهُ تُبَذِّرْ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ الس وَلَا السَّبِيلِ และจงให้สิทธิแก่ญาติที่ใกล้ชิดและผู้ขัดสนและผู้เดินทางและอย่าสุรุยสุรารอย่างฟุ่มเฟือยอินนัลบัฏธิร ن น كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا แท้จริงบรรดาผู้สุรุยสุรายนั้นเป็นญาติกับชัยตอนและชัยตอนนั้นเนรคุณต่อพระผู้อภิบาลของมันและเจ้าพินหลังให้พวกเขาเพื่อแสวงหาความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้า โดยหวังมันอยู่ดังนั้นจงพูดกับพวกเขาด้วยถ้อยคำที่นิ่มวนวลและอย่าให้มือของเจ้าถูกตรึงอยู่ที่คอของเจ้าและอย่าแบมมันจนหมดสิ้นมิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกประนาม ผู้เศร้าโศกเสียใจอินนรบยบุรลิมชายรอินนานบอิบีรบรจริงพระผู้อยบาลของเจ้าจะทรงเพิ่มพูนปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่โปรงทรงประสงค์และจะทรงให้คับแคบถ้าจริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงเห็นปวงบ่าวของพรลงและพวกเจ้าจงอย่าฆ่าลูกลูกของพวกเจ้าเพราะกลัวความจนเราจะประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเขาและแก่พวกเจ้าโดยเฉพาะ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 และพวกเจ้าอยากฆ่าชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้เว้นแต่ด้วยความเที่ยงธรรม และผู้ใดถูกฆ่าอย่างอายุทธรทมดังนั้นเราได้อำนาจจากผู้ปกครองของเขาฉะนั้นอย่าได้ล่วงเกินขอบเขตในเรื่องการฆ่าแท้จริงเขาผู้ถูกอาธรรมจะได้รับความช่วย และพวกเจ้าอยาเข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพรา้าเว้นแต่โดยวิธีที่ดียิ่งจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะและจงให้ครบตามสัญญาเพราะแท้จริงสัญญานั้นจะถูกสอบสวน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 และอย่าตามในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นถ้าจริงหูตาและหัวใจทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวนอกร และอย่าเดินบนแผ่นดินอย่างยะโสโอหังแท้จริงเจ้าจะแยกแผ่นดินไม่ได้เลยและจะไม่บรรลุถึงความสูงของพวกเขาได้ทั้งหมดนั้นความเลวของมัน เป็นที่รังเกียจณพระผู้อภิบาลของเจ้านั่นคือส่วนหนึ่งเจ้าที่พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประทานความรู้ลงมาแก่เจ้า และเจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอ์มิฉะนั้นเจ้าจะถูกโยนลงในนรกยานนำโดยเป็นผู้ถูกตำหนิถูกขับไล่ أ أ ب ب รพระผวกพบิบานของเจ้า ทรงเลือกลูกผู้ชายให้แก่พูกเจ้าและพระองค์ทรงเลือกอามาลิกะเป็นลูกผู้หญิงกระนั้นหรือถ้าจริงพวกเจ้านั้นกำลังกล่าวคำพูดที่ร้ายแรงอย่างแน่นอนและโดยแน่นอนเราได้ชี้แจงไว้ในอัลกุรอานนี้เพื่อพวกเขาจะได้ดำลึก แต่มันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขานอกจากการเตลิดนี้นจนกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากมีพระเจ้าหลายองค์เคียงคู่กับพระองค์ดังเช่นที่พวกเขากลา่าวเมื่อ น, นั้นแน่นอนพวกมันจะแสวงหาทางไปสู่พระผู้ทรง สุบฮาเลวตะอาลาอัมายีลูนอุลูอีรอพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์และพระองค์ทรงสูงทรงกว่าที่พวกเขากล่าวทรงสูงส่งอย่างใหญ่หลวงทุสับบิุลสมาวูอัลสับัลอรดูอมาฟฮิวออิม ดบชั้นัอนูกลฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดินและผู้ที่อยู่ในนั้นจะสดุดีด้วยการสรนเสริญพระองค์และไม่มีสิ่งใดเว้นแต่จะสดุดีด้วยการสรนเสริมพระองค์แต่ว่าพวกเจ้าไม่เข้าใจคําสดุดีของพวกเขาแท้จริง และเมืเ่อเราอ่านอัลกุรอานเราได้กางม่านที่ถูกซ่อนไว้กั้นระหว่างเจ้า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 และในหูของพวกเขานั้นหนวกและเมื่อเจ้ากล่าวถึงพระผู้บานของเจ้าในอัลกุรอานเพียงองเดียวพวกเขาก็ผินหลังของพวกเขาตลอดนี้ <S <S S <S อิบ يقول الظالمون إن تتبعون إلا ر ج ل ม م ส ح و ر ا เรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาฟังขณะที่พวกเขาเงียบหูฟังเจ้าและขณะที่พวกเขาปรึกษากันอย่างลับๆโดยพวกอธรรมกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ได้ตามผู้ใดนอกจากผู้ถูกเวมเทมนต้น อันดร์เคยธรรบู لكالأمثال ธรรลู فلا يستطيعون ส ب ีลาจงดูเถิดมวมัดพวกเขายกอุทาหอนแก่เจ้าอย่างไรพวกเขาได้หลุงแล้วพวกเขาจึงไม่สามารถหาทางใดๆได้ไดได ا أ د د และพวกเขากล่าวว่าเมื่อเราเป็นกระดูกและผุวว ก, กร่อนไปแล้วถ้าจริงเราถูกให้ฟื้นขึ้นเพื่อกำเนิดใหม่อีกหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแม้พวกเจ้าเป็นหินหรือเหล็กก็จะถูกให้กำเนิดขึ้นมาใหม่ได้เอ้ขาลกำมิมไมายักรูฟีซุดูริกุมฟัสยา قولونم ิ عيدنا قل الذي َ ط ر ك م أولم الر فس ينغضون إ ل َ ك رؤسهم و ي ق و ل و م م ت َ ه و قل عساى يكول หรือกำเนิดใดที่แข็งยิ่งในหัวอกของพวกเจ้าก็ตามดังนั้นพวกเขาจะกล่าวว่าผู้ใดเล่าจะให้เรากลับขึ้นมาอีกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองคผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละแล้วพวกเขาก็สั่นศีรษะของพวกเขาแก่เจ้าพางกล่าวว่าเมื่อใดเล่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหวังว่ามัน าา ว, วันที่พระองค์จะทรงเรียกร้องพวกเจ้าและพวกเจ้าจะตอบสอนองด้วยการสรรเสริญพระองค์และพวกเจ้าจะนึกว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เท่านั้น ي ي และจงกล่าวแก่ปวงบาวของข้าที่พวกเขากล่าวแต่คำพูดที่ดียิ่งกว่าแท้จริงชัยตอนมันยุแยระหว่างพวกเขาแท้จริง ชตอนรนั้นบคุณอัลลัม บ, บิคุมอิเยชัยอัลฮัมคุมเอาอิเยชอยยุดิบคุมว่ามาอัลสลัก ع ل ي ว็อีลาพระผู้อวยพรของพวกเจ้าทรงรู้จักพวกเจ้าดียิง่งหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงเมตตาพวกเจ้าหรือหากพระองค์ทรงประสงค์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 พวกมันไม่มีอำนาจที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากและเปลี่ยนแปลงมันจากพวกเจ้าได้อุลัยกลลนยดูนยบตูนอีลาอัลลัลหิมุลวีลยุมอักรบยูนรหมวยาูนอบะอินอบะรบบิาลหดูรเหล่าที่พวกเขาเรียกว่าเป็นพระเจ้านั้น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 ن ن และไม่มีหมู่บ้านใดเว้นแต่เราเป็นผู้ทำลายมันก่อนถึงวันปราโลกหรือเป็นผู้ลงโทษมันอย่างสาหาันั่นมันได้ถูกบันทึกไว้แล้วในแผ่นบันทึก َمَا مَنْعَنَا ثَمُودَ مُبْصِرَةً فَضَلَمُوا بِالْآيَاتِ إِلَّا بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا النَّاقَةَ بِهَا وا أَنْ نُرْسِلَ أَنْ كَذَّبَ وَمَا ไม <ت> ่ม <ص في> ีส <ق> ิ่งใดยับยังเราได้ โดยที่เราจะส่งสัญญาณต่างๆเว้นแต่ว่าพวกสมัยคนก่อนได้ปฏิเสธมันและเราได้อูดตัวเมียเป็นที่ประจักษ์แก่พวกสมูทแต่พวกเขาได้ทารุณมันและเราไม่ได้ส่งสัญญาณต่างๆเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเป็นการเตือนสำทับเท่านั้น ว uh um uh um และจงัำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่เจ้าว่าแท้จริงพระผู้พิบาลของเจ้าทรงรอบรู้ในเรื่องของมนุษย์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 นอกจากการดื้อรั้นมากขึ้นและจงดำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่มาลิกาว่าจงคารวะต่ออาดัมและพวกเขาได้คารวะเว้นแต่อิบลิสมันกล่าวว่า ฉันจะคารวะตอผู้ที่พระองค์ทรงสร้างมาจากดินกระนั้นหรือ أ أ إ أ ขล้ลรู้ว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วไม่ใช่หรือเขาผู้นี้ที่พระองค์ทรงให้เกียรติมากกว่าฉัน หากพระองค์ทรงโปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจงถึงวันพรโลกแน่นอนฉันจะทำลายล้างลูกหลานของเขาให้หมดสิน้นเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระองค์ถักว่าเจ้าจงไปให้พน้นดังนั้นผูดด้ใดในหมู่พวกเขาปฏิบัติตามเจ้า แท้จริงนรกเป็นการตอบแทนของพวกเจ้าซึ่งเป็นการตอบแทนที่สมบูรณ์ยิงและเจ้าจงย่วยวนผู้ที่เจ้าสามารถทำให้เขาหลงไหลในหมู่พวกเขา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 ถ้าจริงพวงเบาของข้านั้นเจ้าไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขาและพอเพียงแล้วที่พระผู้บาลของเจ้าเป็นผู้ครุ่นเคราะห์พระผู้บาลของพวกเจ้าเป็นผู้ส่งให้เรือแล่นไปในทะเลเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์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 พวกเจ้าจะปลอดภัยหรือหาพระองค์จะส่งให้ริมฝั่งนั้นถล่มลงไปกับพวกเจ้าหรือจะส่งส่งลมขอบกรวดกระนำลงมาใส่พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็จะไม่พบผู้ใดเป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้าเลย หรือพวกเจ้าจะปลอดภัยหรือหากรองทรงนำพวกเจ้ากลับไปในทะเลอีกครั้ง แล้วส่งลงพายุร้ายกระาำพวกเจ้าแล้วให้พวกเจ้านั้นจมน้าตายเพราะพวกเจ้าเนี่ยแหละคุณหลังจากนั้นพวกเจ้าก็จะไม่พบผู้ใดแก้แค้นแทนเรา และโดยแน่นอนเราได้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัมและเราได้บรรทุพกพวกเขาทั้งทางบกและทางทะเลและได้ให้ปัจจัยอย่างชีพที่ดีทั้งหลายแก่พวกเขาและเราได้พวกเขาดีเด่นมีเกียรติเหนือกว่าผู้ที่เราได้้บังเกิดมาเป็นส่วนใหญ่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 เขาหล่านั้นก็จะได้อ่านบันทึกของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่น้อยและผู้ใ ด, ดว่าใจบอดในโลกนี้ดังนั้นเขาก็จะบอดในปรโลกด้วยและจะหลงทาง อย่าและหากว่าพวกเขาจะทำให้เจ้าหลงไปจากที่เราได้ให้องค์การแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้กุสิ่งอื่นขึ้นแก่เราและเมื่อ น, นั้นแหละพวกเขาก็จะคบเจ้าเป็นเพื่อนสนิท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 ถ้าเฉ่นนั้นแน่นอนเราก็จะให้เจ้าลิ้มรสการลงโทษสองเท่าในชีวิตนี้และสองเท่าเมื่ อ, อยามตายและเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆแก่จเจ้าให้รอดพ้นจากการลงโทษของเราได้วและหากพวกเขายุแย่ให้เจ้าออกไปจากแผ่นดิน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 และจากบรรดาศาสนาทูตของเราและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของเราแต่ประการใด ل ل เจ้าจงปฏิบัติละหมาดตั้งแต่ตะวันคล้อยจนพบคล่ำและการอ่านอย่างรุ่งอรุณ แท้จริงการอ่านยามรุ่งอรุณ น, นั้นเป็นพยานยืนยันเสมอและจากบางช่วงของกลางคืนเจ้าจงตื่นขึ้นมานมารเป็นการสมัครใจสำหรับเจ้า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 และได้โปรดนำฉันออกตามทางออกที่ชอบทำและโปรดให้ฉันเมียมนาาที่เข้มแข็งซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากโปรด